I don't know. ใช้จากเยอก่อนยิงจะมีการลากย้อนนิเวศดั้งหนึ่งธรรมะยิงเป็นหนึ่งสำคัญ ท, ทุกท่านที่ไปปฏิบัติแต่ระดับแล้วฟังเพราะการฟังธรรมะ ไป ที่จะลำบากยากเย็นฟังเลยถือจิเข้าใจแต่ก็อาศัยการฟังโดยยขัด่อยหยดโดยที่อยสะอาดใจขึเงาได้จิตใจกองเราทันกว่ท้านอนเดียวกันวบบใครทางนั้นคือเราบวยดเม่อตากันนะแต่ดีคือเาศึกษาธรรมะแต่ดีถ้าเราเป็นขอนเป็นขอนมาแล้วแต่เราดีดเด็ ขอขอก่ อ, อ, อกนเป็นข่อยขอวัดแต่อาศัธรรมะอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นเยี่ยมเป็นช่างแต่สุภ า, าพมีสุขใจมันไปเป็ น, น, น, ปนไปต่างๆอยากจะทำเป็นกระดานพูนกระดานฟ้าประตูนหน้าต่างต่างก็โชคสั่งทำได้ ในเนื้อวิสก็าอาศัยความเพียรทั้งสั่งที่ทำไปที่เ็เอาไว้เป็นควคันเป็นประโยชน์คนนิดหน่อยเล็กน้อยแล้วคอยจะมีประโยชน์อะไรนอกจากหยดควานที่อยู่ที่อาศัยทถานั้นจะนัง่งจะนอนก็สบายถ้าแปจะถาวมาเป็นเป็นตังเป็นบ้านเป็นสองข้ อาศัยราชาตัวสูงขึ้นฉันใดจิตใจของเจ้าท่านก็จะนมาเดียวกันมันที่นี่พิพเจนาศึกษาอาศัยธรรมะเข้าขัดเกราจิตใจถึงในชอบกวบังคับบัญชาให้ที่นี่ิแปจนาให้ะดับเล่าตังธรรมะ็นติดเมืถูกสัมผัสกับธรรมะเข้ากับธรรมะได้ เพราะธรรมเอ๋อธรรมะขึ้นกับชื่นอกเย็นใจสบายภายในในมีเครื่องใหญ่ยุให้จิตใจยุ่งหลงเราร้อนเปลี่ยปั่นเพราะธรรมะนั้นเป็นเคื่อขัดเราความเร่าร้อนยุ่งหลงต่างๆทาความเมืยของใจให้สว่างเกิดจ้าขึ้นในเร่งธรรมะ เปอย่างนั้นแต่นั้นทำมาคือเป็นเอย่างสำคัญและเป็นเอย่างจำเป็นของพวกเราทุกท่านแต่กําหนดที่นีที่จะเรามาข้าหาเรามีหลังอยากจะให้เราเองมีความปลุกความสบายความสงบภายในแต่อาศัยสิ่งอื่นวิ่งเสี้ยงสิ่งเล็ภายนอกว่าสิ่งนั้นจะให้ความปลุกสนุกแค่ไหน เวลา l เ u คุณหญิงอยู่น uh ั้นเคยเป็นหนึ่งคดีคดีเด็กเด็กชายหญิงองหล่าร้อนเพื่อเพอนไปอีกมันเป็นอย่างนั้นไม่มีการอิ่นการพอในรืในเสียงในตีนใรถแต่วันเกิดจนแต่ทั่งวันตายเม่มีใครคิดจะเื่อนยงพอต่อเสียงตรถทางธรรมะ ถึงจะพิจารณาหยุดเสียงหยุดดเหมือนกันก็พิจารณาจน้งนข้ามสามารถที่จะเหตุใจรู้เห็นเด่นชัดในสใส่เหนั้นม่นจขัดข้องมันจะื่อนเลี้งมันจะงงเมาเข้มงวดที่เราคเคยเล่อนเลง้ยงถือยากจะเปิดงดงาม น, น่ารักน่าชอบน่าจำในยินดี ทีจารณาไปตามเรื่องพวกนี้ตัางหากเป็นอย่างนั้นทั่วหน้ากันโดเรียนจบวิทยาระไมหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาจากที่ไหนก็ตามแต่ยังมีความหลงเหลือเถื่อเพลินงัวเมาดุเพราะการเรียนจากเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องการําจัดหัดเตาจิตใจเคงตครยังงัวเมาหลงเหลือไป เรื่องมาเรียนมะคือมาที่เริญนะตามคำสอนของพู้จาเจ้าเงต่างอายุชังเรื่องในเที่ยงในเที่ยงอย่างไรเราเอาใจไปกาหนดทีนี้ที่เรณาเราเกิดมา้วยต้นเป็นอย่างนี้มั้ยตอนที่อยู่ในคันกับการออกจากคันมาเป็นอย่างไรที่เจริญนะผลไปถึนที่ที่ฐานของมัน แต่อนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาแล้วคงเป็นคงวานึ่งด้อยเปนไปอย่างไรแต่ทราบมีหล่อร่างกายดูของตัดของบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต่างๆไม่คงเป็นคงวานแลสภาพไปทุกย่างทุกเวลาเป็นจิตสาราหรือบ้านช่องรถเงินต่างๆ พอทํานองเดียวกันมันมีการแปลสภาพไปเปลี่ยนแปลงไปในคงที่เมือเร็วเราจะทำนองเดียวกันแต่สมัยอยู่ในคันกับคอดออกมาใ ห, ใหม่ๆหรือสมัยเป็นเด็กกับปัจจุบันมันผิดกันนี่ความแปรเปลีนเปลี่ยนแปลงที่ขาดฉันแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปที่อยู่ที่ไหนจิตไม้ตายทางของมัน มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิจะไปถึงข่าวอันนั้ น, ม, นมีใครจะมีอำนาจบากันนะที่จะไปฝากศูนยมันอย่างมันเป็นไปอย่างนั้นห้ามกัน้นเอาไว้ไม่ได้จะมีเงินมีทองมีเข้ามีขอ ง, ม, ขอ ง, ม, ของมากมายขนาดไห น, จ ะ, หนจะให้ขึ้นบาทรข่าขึ้นเดิมจะให้ขา่าแช่ข่าแช่เตนจะให้เท่าไรก็ใหนยินดีทั้งนั้น หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นไปตามหน้าที่ของเขาให้จิตของเราที่เจรณาอย่างนั้นจะไม่ลืมหลวงเกิดเพลินพรเกิดมาเปิดเชื่อระยะเวลาเล็หน่อยแล้วก็จะจากโลกอันนี้ไปเราเกิดมาในโลกเหมือนกันกับคนมาพักที่โรงแรมเชื่ระยะเวลาแล้วก็จากโรงแรมไปตอนเข้าโรงแรมมา มีอะไริดตัวมาเสื่อหมอนที่รอนต่างๆอาศัยของโรงแรมทั้งนั้นเพราะจากไปของเหล่านั้นหมดพักที่โรงแรมคนเดียวไปด้วยฉันใด้จิตใจที่มีเงื่อนเงื่อนในโลกกว่าทํามองเดียวกันว่าอันนั้นของเราอันนี้ของเราเรื่องเ้นแสดงหาเป็นโอกาสเวลาจะรักผ่อนภาวนา มีแต่การงานยุ่งเหยิงตลอดเวลาฮาโอกาสที่จะสงบจิตสงบใจที่จะนาภายในในดักเพราะความบุ่มเหงื่อเพิินเหนกันคนนั้นได้อย่างนั้นคนนั้นเรื่อยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเกมเป็นจังอย่างนั้นไม่เข้าใจว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราของเหล่านั้นความเกมมันเป็นอยู่อย่างไรไม่เข้าใจตามความจกมเกมของมัน อยู่ใจิเล่หลวจิดขาดธรรมะจิตไม่พิจณาความเป็นจรีงยัตเลื่อยเหลไปเขาะกระายตัสอนเผยแกจิตใจทคนเผยพิจาาเหว่าเห็นตามเป็นจริงของมัรูปหรือธาตุขันเป็นอย่างไรเผยพอใจอย่างนั้นเผยพิจารณาอย่างนี้ความเลื่อยเหลวเกิดินในที่เหตุจำหาราคะต่างๆจะ รถถอยลงไปไม่มีอะไรที่จะไหมคุณติดใจที่เราให้เงหรือมินิดจุดดังอีกเพราะการทคุยนานโดยบ่อยหรือเราตามไปขึ้นความมืดมันจะแตกหนีไปเพราะไฟเันข้าวติดกับความมืดอถ้าเราดับไฟนีอะไรความมืดก็จะเข้ามาแทนที่เพราะมันมีแสงสว่างของไฟฉันใดที่จะมีทํางในใจ ที่เดชตัณหาจึงกลัวไม่กล้าที่จะโทหน้าโทรมาเพราะโทมาถือว่าเป็นเรื่องช่วยเรื่องนี้เดชที่เดชตัณหาทานกปดปล่อยที่นี้เนี่รับเอาไว้จิตใจต้องเป็นธรรมจึงไม่เนหลงที่เจ้านาอะไรคอใจตามเจริงรู้ถือเขาเจาหลงเพื่อเชื่อไหวเชืงามอย่างนั้นอย่างนี้ท่านทเจ้าาอนจัง พี่เจนาในปัจจุบันหม่เห็นพี่เจนาเจในอดีตจะเห็นว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วลูกของคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นอนาคตถึงยังไม่ถึงเราก็พอคาดได้เพราะหยุ่ยใหญตายายของเขามีหนุ่าใหญ่ตายายของเขาเป็นอย่างไรลูกของเขาหลานของเขาที่เราหลงหลงว่าจะเป็นไปอย่างนั้น มีใครก็เด็กือเร่อนี้แต่เป็นไปทำนองเดียวกันในวันใดแต่วันหนึ่งทางหน้าเราาบดีอย่างนี้ไม่มีการติดข้อมมีการเลื่องเหลิมไม่มีการเฉกเฉลินในเรื่องที้ไม่อย่างนั้นจะพิจารณาใหเป็นอาชุพเข้าอาุพังห้จิตสลดทังที่จิดเบียดหน้าติดเข้าใจ ตามความเป็นจริงต้งถากขันผพิจารณาได้เพราะคำเป็นุดใหญ่ิ่งชัยกว่าคำคำเป็นุดที่จริงต่างในตัวของเราถกไปเขาเลย้าว่าเขาเป็นขนเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดิกเราเป็นมุดเขาตัน่กถ้าเราเราเปนุดเขาจะมีอย่างนั้นแล้วจรงเหล่านั้น มันเป็นของสวยงานเป็นจังหรือเลือกหน้ว่าเป็นของสกปรกคลิข้างในออกมาดู ธรรมะคือคนตาเบาะตาฟังตาเมื่อไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงให้จากนั้นธรรมะซึ่งเป็นแสงไฟหรือดวงตะทูดแสงเดียวว่านั้นเป็นจรนอย่างไรให้จิตใจเข้าถึงของจริงนั้นและจะหายความหลงเหวี่งจะหายความมัวเมาจะหายความกำนังเกรธเผลอทางพิจารณา ของธรรมะคืออาจารย์หรืท่านูิษย์ท่านพิจารณามาอย่างนั้นถ้าเราท่านกนนี้เหมือนกันเหตุปัญหามานาทิตติสติปัญญามีเหมือนกันแต่เนยนำมาที่ไม่พิจารณาแล้วก็กล่าวอ่ะจิตใจไหม่สมุตจิตใจว่าอิ่มคุณโมตต่างๆนีนะแล้วเนี่ยหาธรรมะมา เนเพียงวลามาเป็นเพียงรักษาจิตใจจะได้มีโอกาสเวลาที่จะได้รับความสงบเย็นหนักมีวันใดเวลาใดคืนใดเดือนใดจะเต็มไปเลยเะนั้นโอกาสเวลาที่เรามาบวชเป็นพระเป็นเมยมาศึกษาธรรมะจึงเร้่องๆควงๆที่เจอมาภายในของตนในใจของเป็นยอมจำนนต่อของจุิ ความจริมีด่างไรย่างหาใจไปผัดดั้ม่ะเป็นด่างนั้นด่างนี้หาใจยอมถิ้นยอมรู้ตามความเป็นจริงนั้นแล้วจะมีจะมีอะไรที่จะมาหลอกเราเราได้รู้เขาเคยมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเขาเคยเตรียมไปอยู่แต่ไหนแต่ไรมาเราควรทราบดีเรื่งนั้นมันมีอะไรจะสงสัยในจิตในใจของเรา หนาจิตของเขาเป็นอย่างไรใจตัวนี้เรทราบอยู่แล้วเมื่อเขาไป็นใจเราทราบอยู่แล้วเราก็เหนื่อมไหลในขับข้อเพราะหนาจิตของเขาเพราะวเป็นไปตามหนาจิตของเขาหนาจิตของเราจิตใจรู้ใจใส่ใจแต่เป็นหนาจิตของเราอันนี้แปลเตรียมใจตามเขาได้ไหมเราจะทราบดีหนื่งใจของเรามีึ่งธรรมะว่ใจนี้เป็นอันหนึ่งธาตขันเป็นอันหนึ่ง จะนึกเป็นอันหนึ่งหรืมนเป็นอันหนึ่งจะทราบให้จิดในใจทั้งตนการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราทันควรรู้เรื่องควรขวายจเรพควรปฏิบัติอย่าไปนอนใจตายใจเพราะการเกิดการใช่กันเรื่องการตายมัมีเครื่องหมายนายประกันว่าวันนั้นวันนี้ก่อนจะต้องเมตดหสาวอยู่แต่ตามถึงโอกาสเวลา มันน่าภัยคือความตายมาถึงเขาเขาว่าเรายังเป็นหนุ่มสาวยังมีเีินตอกครัวเงยัมีอะไรคืมไปยีคตอกเตื้องก่อนยิงจะตายเขาไม่เลยนะถึงเวลาตายตายไปแล้วเบียดหนุ่มใหญ่ยี่ตีตอกเตื้องยังมีอะไรอยูนด้วยกันยังยังเด็กดอยู่ให้ดูตอกเตี้ก่อนพอจะยิงเบียดยังทาการทางานได้ก่อนถึงจะตายก่อเนี่ยเขาไม่เะ ทั้งเวลากิตายไปมันเป็นธรรมะสื่อสอนใจมันเห็นนอนใจมันเห็ตายใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าหากเราท่านพิจารณาธรรมะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านมีแต่ธรรมะธรรมะมีเพ่อโลกเพราะใจเรามี็นธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะเห็นเคารองให้ก็เป็นธรรมะเห็นเขารพใา้ก็เป็นธรรมะเห็นอะไรเป็นธรรมะ พอใจ เ, อเป็นธรรมะพอใจเป็นธรรมะพระท่านจะเทศเป็นพ่อแตกกว่นเป็นธรรมะให้พอใจเนเป็นธรรมะเป็นควรศึกษาควรที่จะนาในใจของเรามีธรรมะอยู่ในตัวของเราพิ่เจรณาอยู่ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันทุกเวลาแต่คีอธรรมดาเท่านั้นเป็นความเพียรสาคัญที่จะแก้ไขใจกลางตัวใจสองใสใจกลางตัว ออกจากพิเศษไม่อียาพิเศษที่ไหนพิเด็กินเข้าไปแล้วทางเขไปแล้วฉานเข้ไปแล้วทผู้เศษปัญหามานะที่ผิดเฮ้ยเลียเลยไปทีตกไปถ้าหมียาภายนอกถึงจนแก้ไู้ิเดษกัญหาคนจะมาเวียนเวียนอ่านให้ลาบากยากย่งทานยาเข้าไปพวกคนก็จนหา ่ิเดจันหาภายในเป็นพระอรหันตอาหารกันไปถั่วโลกนหนงนี้และครูอาจารย์จี่แนะนำสอนสอนกันขณาที่ทองผ่านแนะนำสอนสั่งเลี้ยผ่านฉันเกิดไปอย่างไรตัวนำธรรมนั้นมาแนะนำสอนถึงเราท่านแณะที่ของเราที่จะต่เต้จะฏิบัตจะไปพิบัตอย่างไรใจของเราจึงจะได้เข้าถึงธรรมใจของเราจึงจะป็นสุขใจของเราจึงจะสงบ เป็นหน้าที่ของเราพิจารณาอะไรใจสงกสบายพิจารณาอันนี้เปินความสุขความสบายทั้งจิตพิจารณาอะไรเป็นไปเกี่ยความเพลิดเพินเป็นไปเกี่ยวกับความโมโหเราควรห้ามกันการคิดการทำการพิจารณาอย่างนั้นมีทางสอนใจของตัวเองที่จะสอนใจก็อาศัยสติ ใจมันคิดมันน็กมันทำการทำงานอยู่ตลอดเวลานอกจากหลับหรือจิตเวียเท่านั้นมันจะต้องคิดเดินตไปตามเรื่องของมันอีอย่างนั้นแต่คือนันคิดไปเป็นทางสมุทยัยกอ่อปวยทุกมาให้ก่อปวยี่เลตปัญหาม า, มาให้เลีเป็นทางมัจที่จะละจะถอนที่เลตปัญหาภายในจิตในใจของตัวเราต้องที่นี่ที่เดานะ เพราะเราคนนั้นแต่ทราบดูอย่างเองใจตัวเองคนเองไม่ใส่คีย์ค่าว่าจะมารักษาจิตใจให้เราเพิ่มศึกษาเพิ่มปฏิบัติเพื่อกาจัดความหลงเหลวมื่อเมาภายในจิตในใจเมื่ออย่างนั้นคุณค่าราคาของมนุษย์จะมีอะไรทิ่แต่แตกต่างกันหรือเพราะจึงเล่านอนเฉยๆเพื่ออยู่ตามเลี่ยองของปัญหา คุณค่าของมนุษย์ก็เลยไม่มีอะไรเพราะตัดว์มันไม่มบ้านนี้เรียนกดตังนดยมหลายมีมาก็ตางแต่นี้จะรักษาเรียนเพิ่มมันอยู่ไไม่ตายพออาศัยการหากินมันมีการยกชิดที่จะสอนจิสอนใจเพิ่มิจอื่นก็นอนไป หายออกช่วยอีกหาคนอีกเรื่องสัตว์เป็นอย่างนั้นมนุษย์แยเราขั้งถ้าหากิดอย่างนั้นต่ออย่างนั้นจะไม่แปลกอะไรกันกับสัตว์เมมป็นพิจารณาหาธรรมะสวใจใจถือหรืใจปือมีสติใจถืมีกัญญาใจถเสียสลักความชั่ต่างๆนั่แหละใจของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจถือต้องถืกว่าสัตว์ กายใจติดท้องตัวเม่ออย่างนั o o ้นจะปล่อยให้มันชั่อมันเคลียไหลลอยไปตามยกาดเยื่ปัญหาแล้ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสิ่มีนิสักสัตว์นั่นเป็นนิอะไรยี่เยื่อปัญหายังกลุ่มทับจิตใจอะไรเป็นสิ่งมีนิสัยสัต์ไม่เห็นมีที่เจน่ะตั้งหน่ตัวเองปวดตัวเองพอเราสอนตัวเอง ตัวเองด่าตัวเองมันมมีอะไรผิดนต่เมือนคนอื่นเขาบอกเขาวอาเขาด่าเขาว่ะเขาเราวาอะไรอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวพยายามฝึกพยายมพยายามฝึดตามพยายามคุ้นชิดแกจิตใจทุกคนจิตใจเป็นสิ่งที่ดัดแปลงไม่ในช่ว่วามันจะคุ้นกลินกวงมาเสีวมา ความเป็นใปของจิตที si t t fen, say, ่เกี่ปวแฝงด้วยกิเลสปัญหาจะเหนื่อยชำระสับก็เพราะกิะดัดแยงแกะไขตกแต่งเอได้ไม so ่อย่างนั t í, t í ้นจะมีใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระเป็นสมาคณะผู้เผยให้เหตุได้เพราะกิเลสดัดแองไม่ได้เราอย่างเราท่านอย่างนั้นจะไปเลื่อมไสไปวุ่นวายไปกล่าวมา คนใจคู่ไหนเพราะใครๆจเหมือนกันท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนี่เป็นด่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแต่ท่านควรขี่เจือเหลี่ยมหามาณาจิสติเพื่อนไ้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านดูสะเบิกับด่างเพราะอำนาจของเจืเหล่ยมหามาณาคิสติภายในในมในพระทัยของพระองค์ าหากมีในประเทศไทยของพราที่เราเป็นประชิปควรประทับควรบรรทุนถือต้องควรอย่างนั้นอย่างนี้คือเราอยู่ตามดินตานหญ้าตามป่าตามเขาเมือนเป็นเพี่อแกเราท่านกจะเวทจะได้รับลูกเวส้ยงสม่ำไม่ได้อาหารการเะเลเราเป็นประชัธต เราจะต้องไปเลยฉันอยู่คนเดียวในคนข่าอย่างนั้นอย่างนี้มีพวกใหนมามีแต่สิ่งที่นี่เสรษฐฐานะในสมเยอะสิ่งเยอะของเราใทุกอย่างนั้นท่านปฏิบัติไม่ได้ท่านคนที่ขีมาเนีคนก็เลยตาหาพวกท่านน่ะไปดูตายดูเขาเป็นสิ่งเหลานั้นไม่ทราบว่าท่านเคยเป็นกษัตริมา เขไมีอะไรเขาก็มาให้ทั้งแต่สวยไปเพราะเขาสวยได้ท่านสวยได้เพราเขากินได้ท่านกินได้หมายถือที่เกิดมาเนี่ยพอเราหลังกายไปเป็นวันวันเป็นยาประมัรักษาถาดขันไม่ใช่ขันหรือสวยเวยรสชาติอร่อยเต็มยกเต็มหยีเต็มทั้งถ้ามีหลังอย่างนั้น ท่านจึงย่าอยู่เขาได้ดูอ่ปตายโดยเขาหุใจท่านจึงขีมาหาทีิขี่เหเตัญหาเนี่ยท่านก็จะเดือดสบายแต่ตรงๆภาวนาล่เจลติเลไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแต่คนขี่เตตีมันหมดไปทำจิตทใจให้เยือกให้เย็นทุลาหน้าที่อะไรนมีนอกจาก แก่จิตแก่ใจแก่ไขเป็นจิตเป็บใจเป็นไทยทาจิตทาใจส่งตัวให้เดืองวายแถนั้นท่านคิดอย่างนั้นท่านพิจารณาอย่างนั้นท่านสทายอย่างนั้นยิ่งหน้าบูชาหน้า่าวว่าตกใาทั้งหลายในเต็นอย่างนั้นงมีตวเลี้ยงไหลยังมีตัวอใจยาได้วานควายข้าใจเราคจ็บจเราไปแสวงหาจะเป็นของเรา มีจังไม่ทราบว่าเราจะจากมันไปหรือมันจะจากเราไปหลายหลายอีอย่างนั้นท tamam, ั linen, e ้งวันทั้งคืนเมามาเฝ้าคิดแต่เรื่องของกายแรงของใจในใจเลยคิดค้นพิจารณาเหตุผลเวาเริ่มเยอพือเลเรื่อไปไม่มีใจสงดเยียดเยินเป็นทําให้ทุกที เต้นเต้นเตยอยตลอดเวลาหาเวลาสื่อสารชาเบาสบายไม่มีไปทู่ไหนเยยินไจะเงนทุกอย่างนี้ทุกอย่างนี้ทั้งที่ทุกอย่างเงินบงิไม่ลว่ะของอะไรัำอุปโกหรลอบริโภคมีทุไปใจใจมันยาใจมันเป็นทุกข์ใจมัไม่มีอะตม มันเป็นอย่างนั้นเจ้เราท่านไม่เห็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นห า, หาเ็ษหาตัวเอาสิ่งจุกงพุทเจ้าถวัดทิศวสูนั้นไม่มีช้าละไม่มีคุค่ามาเป็นของของตัวจาเป็นของมีฤทธิ์หรือพุทธเจ้าถวดัดทิศไม่เอาเราเห็เราเ่าเป็นของมีฤ ว่าเราเมตตาต่างคนกพต่าเจ้านี่ที่เปนงาแจกไข่ปรบุ่กายใจท่องตัวละสู่งที่ควรละสิ่วเยสเสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายไวจาใจท่องตัวให้จิตใจยุ่งแย่งแย่งใสจิตใจเป็นปุถะเร่อยตลอดเวลาเบิดบานยุ่งแย่งแย่งใสเตดูไม่มีหลับ เราร si ูเห็นเด่นชัดอย่างนั้นมันเป็นพุทธะชื่หน้าอัจฉรย์เป็นพุทธะชื่น้าสการะมือชาเป็นพุทธะชื่หน้า่าวว่าเป็นพุทธะชื่อหน้าสบายไม่เสียใจว่าจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนไมจิตใจรู้จิตใจเบิดบานจิตใจตืจากที่มีปัญหานี่คือพุทธะภายใน คนคือระพิสูจน์แบบจะตองเห็นจะตองเป็นเดการที่มจนาเดการศึกษาเดการภาวนาภายในไม่ใช่ว่ามันจะเหน่อยตลอดไปมันดับแรงแกหายได้เรจิตใจเป็นอย่างนั้นไมใช่เสียเรื่อยไม่หาาเราทีเจริญจริงจังว่าจุิทั่วไปมันอยู่ในกายในใจของเรา เราเนอยจะจะอที่อื่นก็จะหาโอกาสเวลาจะหาทนั้นดิถึงความพริันอยู่ภายในทนั้นโกเปลี่ยนเหมือนกันมรรคผลเหมือนกันฉระนั้นการาพาิจารณาภายในเป็นใเกี่ยกบการแก้ไขเกี่กบารชระธรรมะจังหะเวทนญิโปง่นองคมาถึงอยู่ข้างนอกคูน้อคมาภายในเพื่อออนอนออสอนใจข้งตัว คืเลือว่าเลี้ยได้อย่างนั้นก็มีวันเวลาจิตจะละชีวิตปัญหาจิตจะสบายจิตจะเป็นสมาณะคือจิตสงบจิตจะเป็นพระคือจิเปิดพระ ต้องไล่ผ hmm. ลิตถ้าอย็นวัดเสร็จฉันยู่แล้วหลับนอนคิดดนไปงหมยของคาร์ล่าฮลักข้กขโมยสึ่งนั้นสิ่งนี้ของไม่บืต้องเหงาที่หนึ่งอยู่ตามคิดตามทางต่างๆแต่ตอนจะไม่เบื่อต้องคิดอยากจะบื่ออยาจะมีความสุกความสบายก็เบื่อมาแล้วอย หุดปล่อยใจไหลไปตามกิเลสี Take ่เลสเพ่อเพลงหัใจเป็นเานี่ละที่จะเป็น่าเประแมณได้เ <cadence> ห mm ็นตัวจิมันหนัมันไม่มันแผล่มนเขาอยู่ๆมนไหวไม่กด้ะนะเดือออกไปสูราชการแทนที่จะจิตจะสบาย๋ยวไปถามหายูนอไฟกันเลยร้อนจะไม่อยู่แล้วยิ่ง เบลดภายในกองไฟมันจะเป็นอย่างไรมันจะไม่จะเผาขนาดไหนอี่เป็นทางคือจะฝึกนิดเดียวนะฝอกใจทั้งตัวโอกาสเวลาที่อยู่ในวัดในาวาเป็นพระคน็นเมรุมีโอกาสเวลามากที่จะฝึกอบรมตัวทั้งตัวร่ายเฉลยเปนเพียงดีเพราะหนาดขี้ของพระเป็น เ, นนเนมรุหนาดขี้จะปฏิบัติศีลจะมาที่ปัญญา ของตัวให้ก้าเนี่ยไปหาวิชาวิมุตติจิตการงานอะไรเขาไห่อภัยไม่ต้องไปทําไร่ทํานาทําสวนไม่ต้องไปทําการทํางานอะไรเ้าบอกหามาให้ก่อนเขาจะให้เขาจะยกไปก้าวเดินหัวสกอาลัพุชาไม่ใช่เขาให้มาบางยุคช่วยตั้หาเขาให้มาเพื่อพุชาคุณความดี ต่องฟ้องตัวเราเกลียดเราฉันเราอยู่เราอาศัยเขาคิดเอาไหมข่าเจ้าเราไม่อยูมีวันจีคืนนี้อยู่ในวัดไนวาเขาเลคิดคุณค่าอะไรเขาคิดอยากได้บินเปลี่ยนคือเปลความสุขให้แก่เขาและเราผู้บริสุทธิบัติเท่านั้นเแต่เราคิดเห็นอย่างนั้นก็ตั้งใจยึดมั่นในสุข คนทุกกก็ทำทุกสิ่งรักษะษากลายว่า ย, า ย, าย่จจิตงุกตนให้มั่นคงอยู่ในอาจในธรรมไม่อย่างนั้นกวาเสีย รักษาเป็นงานความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้ตกไปความดีใหม่ควรจะได้จะถึงควรจะเห็นจะเติมจะพยายามทีิจะเจนะพยายามจะทําบำเพ็ญเป็นเป็นข้อเป็นเป็นพระที่จะเสดละเจตจันหามาณทิสิกอริชาวปาทานภายในด้ ใจะต้องจะเดอดใจจะต้องจะวายมีคุณค่าสาระมากมีเดือดของพระท่านเป็นเารณะของพวกเรามาท่านตั้งหน้าตั้งตาจะทาอย่างนั้นในใจขุดนฉันแล้วก็หลับก็นอนเปิดเตือนเมื่อเมาเมื่อเดือเรื่เดือดของโลกท่านมีเตือนเมื่ออย่างนั้นท่านมีเตือนอย่างนั้นไม่มีธรรมะจะมาสอนพวกเราท่าน ตะมีใครในโลกเขาจะเลี่ยใสเขาจะนับถือเพราะเด็กใดเพราะพรเนยเดินมาดูเด็กังหาจนงกายจนใจมีอะไรที่น่าเลื่องไสมีอะไรที่จะเยี่ยงเยนไปเห็นเข้าก็ไม่น่าดูไปเยินเข้าคนหลงผิดคิดดูก็ไม่มีความฝึกใจนี่คืเลี่องไส เขามีจักรพานําเครื่องจักรระทุกอย่างมากอบพระเนรครูอาจารย์ท่านถือท่านตะพุกตะจีดัดทุกสิ่ทุกอย่างเรียบร้อยมีงามยอดยเห็นแล้วก็หน้าดูได้ยินแล้วก็หน้าฟังฟิแล้วก็หน้ามีอาเเฉยเป็นอย่างนั้นคือศาสนาย็นย็ คงมาตลอดวันนี้เพราะพูดจะพึ่งปฏิบัติ ด, ตดีชอบเอาใจใส่ในการแก้ไขละก่เลสเอาใจใส่ในการบำเพ็ญถึงสมาธิปัญญาให้เป็นทื่เป็นฐานก้าวหน้าจิตใจของท่านมีกิเลสปัญหาเป็นข้างสุดกับเพื่อนทุกท่านและสัตว์ทั่วไป ใจที่ทันไปเกิดใจที่ทัน้เกิดอย่างนั้นเขาทาไม่ได้เขาหุ่นจึงเลี้ยงสเขาทาไม่ได้เขาจึงเตใจต่อใบมีชาเพราะก็าเทวดามีกว่าเขาถ้าหากเส้นเน้เขายิ่ช่วกว่าเขาไม่มีทางที่จะเลี่ยงสายไทางที่จะเต็ใจต่อทุกประจิตบัดฉะนั้นพวกเราทานทุกคนถึงจะไั้ไม่เตนืหนื่ออย่างนั้น ก้ากันต่างนาต่างๆพยายามรักษากายวายาจใจส่้างพลังความดีแก้ไขเชัอกต่อไปสิ่งของเราจะเคยเศร้าหมองก็จะฟองใสสิ่งของเราจะเคยเพื่อเพื่อเรื่องเงินก็จะสงบนี้ฉลาดอยอกยังเป็นทางฝึกการปฏิบัติอย่าไปอ่างการอ่างเวลา ต่างนาต่างตาศึกษาต่างนาต่างตาภาวนาระถอนชีวิตทุกคนทีวิตนะมาก่อนปกติจะเบาบางสว่างสวายไปธรรมะของพระเจ้าเป็นของทุกคนที่สนใจจะนามาขอพิจัริแต่นั้นเมื่อได้ระดับแล้วฟังแล้วจึงนาไปคิดพิจารณาการอธิบายธรรมะเห็นวล่าพอมทุกคเวลาคอยยึดจิตสงนี้